เรื่องปล่อยเนื้อสองเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งปล่อยเนื้อติดบ่วงไปได้วยความสงสารแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดปาราชิกหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะช่วยเหลือพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอมีความประสงค์จะช่วยเหลือ